วันเพื่อได้การธะทีวท่าทั้งหลายฟัง่งธรรมะของพระเจ้าเพวกเราทั้งหลายสุขเพื่อศึกาจะไ่สุขวะับระดัต่างกันมาบางคนก็ตั้งมาบางคนก็ตัางน้อยธรรมะธรรมต่างสอนของพระจ้าเจ้านั้น เรืองของสัาคัญอย่างยิ่ที่พวกเราทุกคนจะต้อควรวางค่าเพราะธรรมะเร็นงของมีเหตุผลทำบุคคลผู้ประปฏิบัติให้รับทางสุขทางเจริญครรมะทั่ทนสอนโดยส่วนใหญ่เรื่องผู้ที่มุ่งหวังตั้งใจจะปฏิบัติคนเพื่อข้ามพ้นไปจากี่เลสปัญหา มีมากในยหายกองพวกเราในฐามานักที่จะจดจำเรียศึกษาให้ัวถึงได้แต่ทิ้งอย่างไรจะดีคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราชอบบาทใบบทใดรือแบบใดจะนำพาใจใจของเราให้ได้รับความสุขความเจริญด้วยการประยุกปฏิบัติธรรมะบทอย่างนั้นเพื่ให้พากันยึดถือเอาไว้ ตั้งหน้าตั้งตประเทสธใยประเสธใจองติดให้ถูกต้องตามทำคำสั่งสอนนั้นก็ได้รับสาระประโยชน์ตามตามที่เราปฏิเสธปฏิบัติเดือนนั้นทำคำสั่งสอนสองพระพุทธเจ้ายืนยงคงที่มาจนต่อปัจจุบันทุกวันนี้ถ้าหากทำคมสั่งสอนเป็นโมฆะไปปฏิเสธปฏิบัติไปไม่ได้รับสาระประโยชน์ไม่เป็นผล แต่บุคคลประเพื่อปฏิบัติแล้วทำมาทำสต่างสอนอนั้นั้นก็จะล่มโทมหรือเสีเยหายไปนานแล้วอันนี้ทำมาทำสต่างสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเส้นคงวาแต่เมื่อต้นเส่มือม่อปลายม่ได้ผิดหายไปตามกาลตามเวลาเกิดนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าขันจึงกล่าวว่าเป็นอาาัตาฤาษีโผล่เพื่อเป็นคล้องในเลือกตามในเลือกสมัยครับพระพุทธเจ้าจะทรง ละสนอยู่หรือจ ะ, จะรินิพพานไปทำค ำ, คำสต่างสเหแบบนั้นตัยังคงที่ดีงามอยู่เกิดที่คงที่ดีงามอยู่นั่นเองจึงมีผู้เสี่ยผู้เลื่อมใสผู้พอใจต่อที่ปฏิบัตบิตามคำคำสั่งสอนท่องทันผู้ใดตั้งใจตะเทีปฏิบัติตรจริงจังจะเกิดสรรคิสิทธุคือความรู้ความเห็นเป็นขึ้นในตัวของตัวเอ ง, ง, งไม่ต้องไปสืบถาม บุคคลผู้อ <think things> <like> ื่นว่าทำเป็นอย่างไรทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทาหแหกผู้ประปฏิบัติจริงจังยอมรู้ยอมเห็นไปจับในตนของตนอย่างนั้นผู้ที่เห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมด้วยการประปฏิบัติของตนแต่ควนเต่าเราในใจปฏิบัติธรรมจิตใจของเรามัวเมาเศร้าสันไปตามสัญญาอารมณ์อื่นๆคอยใจเชื่อว่า สิ่งนั้นจะให้ความสุขแก่เราสิ่งนี้จะให้ความสุขแก่เราเพื่อแทนหรือติดตามไปในเรื่องอืน่นๆเจนจิงก็ว่าไม่มองจิงธรรมะเลยแต่สมบัติธาตุฐานหรือสิ่งที่เราต้องการอารมณ์สัญญาหน่อยน้นเมื่อได้มาจับตายหายแม่จะให้ความสุขตามความต้องการของเราก็หาไม่จับ็นทุกข์เขาจิิตเข้าใจเราเสื่อทรยคูนอย่างนั้ น, น, น ก, ก็นนกมี เ, เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นบุคคลผูดด้ใดตั้งหน้าตัาง้งตาปฏิบัติกันจริงจังแล้วชอบได้รับผลรับประโยชน์รับความสุขถึงจะทุกข์ด้วยอาหารการกบขันการอยู่จินที่อยู่ที่อาศัยหรือเครื่องใช้หน้าก้อยต่างๆตงๆวต่างแต่จิตใจของท่านเหล่านั้นมีความสว่างสวยมีความสงบเยือกเย็นใจ แตจากชาติเกนในตัวของขันเถิดนั้นท่านจึงไม่คิดเรื่องอาหารการกบถันหรือที่อยู่ที่อาศัยเป็นของสําคัญยิ่งกว่าการสะดวกสบายในการต่อเพธธืปฏิบัติที่ใดเป็นไปเถีาา่ยวฌานสงบสงบมีเวลาเพียงฟ อ, ม, งอมีเวลาเป็นของข้างตัวท่านยอมอยู่ท่านยอมอาศัยในสถานที่นั้นเพราะธรรมะขหากว่าสถานที่ใด ทุกทีทุกโมงไม่มีความสงบเยือกเย็นเป็นที่ทุกช่าของปัจจุบันผู้กฏิบัติปฏิบัติคอขัดขอ้อไม่สะดวกสบายทางการปฏริบัติปฏิบัติท้องพันเดิดนั้นชาวพุทธเจ้าซึ่งเป็นชาบริรมกู่ขันจึงแนะสอนให้ผู้ต่างหน้าต่างตางเพื่อจะออกจากวัตฏฏสงสารมุ่งหน้ามุ่งตางหาสถานที่เรียกว่าเสนาสนะสตายะ ที่สบายของจิตของใจของเราที่นั้นถ้าหากเราไม่ประพฤติปฏิบัติทางธรรมเราจะรู้ไม่ได้ว่าสถานที่ใดเป็นสตัยยะเจรเราแบบแผนตำราท่านบอกว่าเป็นสถานที่สตยัยยะแต่เราเองไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติฏิบัติสถานที่ก็เลยไม่เป็นสตัยะให้แกเราเข้าไปอยู่ตาอยู่เขาแทนที่จิตใจของเราจะเงียบสง บ, บก็ปลุกแตงชิดถึง บ้านช่องหรือสิ่งของต่างๆเป็นไปอย่างนั้นสถานที่สงบแต่จิตใจของเราไม่สงบเหตุที่จิตใจของเราไม่สงบเพราะเหตุไดเพราะเราไม่ตังสส้งใจรักษาจิตของเรารู้ว่ามันคลุงมันแตกมันเล็กมันคิดไปสู่อารมณ์อันอื่นก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ตั้นเอาไว้ปล่อยใจให้ไปสังคมแต่สัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกแก่ทรทำที่เกิดขึ้ในในบางผู้ได้ตั้งใจต่อเพื่อปฏิ บ, บัติจริงจัง เคยนั่งหรือเคยเดินให้จิตใจองตนสงบระงับได้รับความสุขความสบายสว่างสวยพอใจคงตนสงบเยือกเย็นอย่างนั้นไปแต่ฐานที่นั้นจะทําบำเพ็ญตามศรัทธาตามความสามารถองตนอย่างที่เคยแต่ทาบําเพ็ญมาแต่จิตใจที่เคยรักษาหรือเคยสงบระงับกลับปุ่งซานกลับไม่สงบสะงับ จับจับเขาไปเสียสถานที่เช่นนั้นท่นานกล่าวว่าเป็นอสตายะไม่เป็นสตายะคือไม่เป็นที่สบายขคงใจแต่สถานที่ใดเราเช้สงบสงบัดเราไปอยู่ประพฤติปฏิบัติจะนั่งภาวนาก่อตามเดินจงกรมก่อตามสถานที่นั้นพอเรานั่งลงไปกําหนดใจเท่านั้นจิตใจจะดิ่งลงสู่ความสงบหรือเดินจงกรมก่อมีปัญญาสชำระสสารที่เละ คอะไรเป็นธรรมเป็นอยู่ในคิดอะไรเป็นส่วนจำจัดที่เดี่ยทางนั้นความไม่เคยตรงเคยรวมตกลงรวมไปความไม่เคยสว่างสวยก่อสว่างสวยขึ้นความไม่เคยสงบเยือกเย็นก็เกิดขึ้นในใจต่อที่ปฏิบัติของคตนองค์ตนเด็จพระวทศบลสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรียกสถานที่ขึ้นเช่นนั้นแหละว่าสตายเชื่อเป็นที่สบายของกายของจิตเราผู้ที่เข้าถึงความสงบระงับ เข้าถึงครามสว่างสวยเข้าถึงจิต ใ, ใจที่เยียกเย็นอย่างนั้นเกิดจักพาภาษาเพื่อมันในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่วาธทรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพานนานไกลสั่งสองพันรอกว่าปีขนาดนี้คุณงามทวามดีนี้ทำมะที่แผ่นแม่สอนเอาไว้ยังมีอยู่ในโลกในขาดศูนยจิตหายไปสถานที่ทใดเกิดนั่นขึ้น ท่านจึ เ, เชื่อจึงเลื่อมใสจึงยินดีปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนขอ ง, องพระเทเจ้าโดยไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่มีรางวัลหรือตะเกียนให้ทาแต่ท่านก็มีใจเลือ่อมใสยินดีถึงโอกาสถึงเวลาท่านก็ทํากันอย่างจริงอย่างจังเพราะจิตใจของท่านเชื่อมั่นว่าการทําขนาดนี้ แต่รับผลรับประโยชน์คือความสุขของใจขนาดนี้ถ้าเราทําจริงจริงจริงจริงจังจังจิตใจของเราพ้นไปจากชีวิตปัญหาพ้นไปจากวัฏจัทั้งหมดเราจะได้รับความสุ ข, ขความสบายขนาดนั้นจิตใจเชื่อมั่นอย่างนั้นท่านจึงไม่มีการขอดถอนไม่มีการละลวมในการปรฏษษษิบัติของท่านเหตุนั้นพวกเราเราพุทธศ า, ส, าสนิกชน ซึ่งพร้อมหน้ากันมาปอบพฤติปฏิบัติตําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจากที่ไฟแสนไฟลความเชื่อความเลื่อมใสความยินดีที่อยากจะมาสั่งหน้าสั่งตาระเพฤติปฏิบัติภาวนาอบรมกายจิตของคนให้ได้รับผลคือความสุขความสบายเมื่อเรามาแล้วก็อย่าลเรื่อง จิตของเราเือนส่วนจิตทุดว่าจะมาฝึกผลภาวานาะใครตั้งหน้าตั้งตาต่อพฤษฎปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเข้าใจแค่ว่าเรามาถึงที่สงบเยือกเย็นแล้วจิตใจของเราปล่อยจะเคลนจะไปเองแต่ถานที่ก่อเป็นของสําคัญแต่ตัวสําคัญที่สุ ด, ส ด, สดก็คือตัวของเราเองเจะสองต่อพฤษฎปฏิบัติข้อหน้าที่การงาน หรืออะไรต่างๆซึ่งเป้นเครื่องยุ่งเหยิงขัดข้องต่อตัวพวงเราไม่มีเรื่องความสงบส ง, งัดภายนอกพอสงบส ง, งัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้แต่เรื่องที่เรศภายในถ้าหากเราไม่มีสติกาหนดใจจะไม่รู้ว่าจิตของเราอย่างนี้ปรุงไปสู่หน้าที่อะไรปูกต้องตามธรรมธรรมสั่งสอนหรือไม่ถ้าเราไม่รู้จักทางออกของจิต ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ัญญาต่างๆเราก็ไม่มีทางที่จะรักษาในจุดทองเราเข้ามาสู่คามสงบระงับได้เกล็ดนั้นทุกท่านทุกคนที่สนใจในทางส่อไปปฏิบัติจงอุตสาห์พยายามกำหนดจิตของตนว่าเดียวนี้เราพิจารณาทำอะไรหรือจิตใจเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเมื่อรู้เมื่อเข้าใจว่า มันออกไปส่วนนอกซึ่งเป็นทางเสียหายนําความเสียหายมาให้แก่ตายแกใจของตนรีดแนะสอนอีกส่วนนั้นให้วกบนเข้ามาสู่ภายในคือให้รู้เรื่องของเราว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งไม่มีธุรหน้าที่อะไรเราตั้งใจทําความสงบเราตั้งใจดูจิตของตนว่ามันจะตรุงใจแตแ่งอะไร เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นจิตใจที่ทรงแต่งอะไรกันรู้จักผัวไปสิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็มีหน้าขีดจะบกำจัดมันนีหรือห้ามเอาไว้สิ่งใดที่มันจะมีผลมีทําไรเปนไปเพื่อความสงบสุขเราก็รักษาความปรุงคิดด้วยจิตชนิด น, นั้นไว้ในตัวของเราเมื่อเรากำจัดส่วนทั่ว แล้วำเพ็นส่วนดีให้ทวีคูณขึ้นอย่างนี้จิตใจของเราก็จะมีกำลังมีความดีทวีคูณขึ้นข้าความดีคือทำคำต่าสอนาวีคูณขึ้นมากเท่าไรยิ่เหนชายในใจสึ่งเป็นส่วนตรงกันข้ามตอนับบรณ น, นับเวลาที่จะดับหรือหายหน้าหายตาใสเหมือนกันกับน้ำกับไฟธรรมดาน้ำเป็นธาสุ ข, ของไฟขั้น้ํามาก ไฟก็ไม่มีโอกาสที่จะสว่างสวัยลึกที่จะตั้งอยู่ได้จะต้องดับไฟหายไปถ้าไฟมากนะมีฤทดิน่อยเทธกน้อยไปดับไฟไฟก็จะต้องเขานะ้าให้เป็นไอขายเหนีดหายไปดับไม่ได้สันใดจิตใจของพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่าทีเล่มันมากคำคำสั่งสอนเราได้ศึกษามาน้อยหรือเราได้เรียนมาน้อยหรือเราได้จะิเจะปฏิบัติบบน้อย ก็ไม่ค่อยจะเห็นผลผลประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติถ้าหากเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤตปฏิบัติทำทุกวันทุกเวลาจิตใจของเราต้างหน้าไปสู่ความสงบสุขทุกปุถยาบทชี้เลดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะโผลหน้าเข้มาสู่จิตของเราได้ด้วยอํนนานาจทำที่เราก่อพืติปฏิบัติกำจัดเรื่องชี้เลดกันขาเหมือนน้ําที่ดับไฟให้เดือดหายไป ไม่มีการที่จะตั้งอยู่ได้ท่า น, นใดกาดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่อุตสาพยายามมาศึกษาตั้งหน้าตัางตาภาวนาพอให้พากัรละมัดระวังสังมรส่วนทั่วยาให้มันไปครัวพันหรือปรุงแต่ในใจิตในใจของตนกำจัดออกไปจากกายจากใจของตนส่วนความดีที่เรียกว่าศีลบาคำคำตรทำทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พยายามแนะนำจิตใจท่องตนใช้ฝึกฝนอบรมซึงยากลําบากผลประโยชน์ก็มีมากตามตามเสพติดปฏิบัติของตนเหตุนั้นขอท่านทุกคนจงอุตสาห์พยายามฝึกจิตอบรมใจท่องตนจนเชื่อมั่นและเห็นผลจากการย์เสพตปฏิบัติทองตน้วยตนเองที่นี่ใจเชื่อพระงผู้ชาเจ้าเชื่อ สาวของพูริจ่ายหรือเชื่อครูบาอาจารย์สี่ท่านนำพาศาสนามาบนกระทางทุกวันนี้เพราะคุณงามความดีสี่ท่านเห็นเป็นดวงอยู่ในใจของท่านนั่เองท่านจึงเชื่อมัน่นอํานาจของธรรมสี่ท่านต่อที่ปฏิบัติมีคุณค่าราคาขนาดไหนใจของท่านเชื่อมัน่นโลกทัวไปที่เขาใ น, นยมสมชอบว่าเป็นดีหรือเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าจะมาเทียบกับคำคำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นท่านไปในข้อปฏิบัติของท่านท่านเชื่อมั่นทีเดียวว่าทานถูกของโลกที่ผานมาด้วยการใดเห็นผานมาด้วยการใดยินพานมาทางลิ้นทางจมูกหรือทางตายทางใจอะไรผัวไปคานถูกส่วนนั้นเพียงเล็กน้อยนิดหน่อย ไม่เป็นของหน้าอัศฉริยส่วนความศานย์ข้องคำทำต่างสอนคือเราต่างหน้าต่างตาต่อเพื่อปฏิบัติเพียงจะจิตสงบใจ่ยัดรงรวมเท่านั้นก็จะเกิดอัจฉกัยยิ่งกว่าสมบัติทั่วไปในกายโลกะท่านเพจนั้นท่านผู้ต่อเพื่อปฏิบัติท่านจึงเชื่อมั่นและยินดีมีศรัทธาไม่มีการ คอยหลังในาการปฏิบัติปฏิบัติตั้งหน้าตาัาตาตา้งตาอุตสาห์แต่ทำปั่มพนเพื่อจะรู้จะเห็นสิ่งที่เป็นจังหนูรู้ไม่เห็นเพื่อจะให้จิตใจของตนหลุดพ้นไจากที่เหลืปัญหาอยู่ทุกวันทุกเ ว, กวลาถึงข่านผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติจนหลุดลอยออกไปจากที่เหลือปัญหาไม่มีอาสวะใดๆเข้าเกี่ยวข้องกับจิตจใจของท่านท่านก็ยิ่งรักษา ขอวัดปฏิบัติขครื่องพันยิ่งหาสถานที่ที่จะอยู่เป็นสุขในที่ิตธรรมเคองพันอีกเหมือนกันเพื่อนั้นพระพุทธเจ้าขาาองเราถ้าองค์จึงอยู่ตามเหนาสนาะน่าตัโดยเหตุนีไม่อยากจะเข้าไปทุกข์ที่ในสถานที่ชุมนุมชนถึงถ้าองค์สร้างพระบารมีมาเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์คนทัน่วไปกว่าต่างแตั้ง ทุกทีท่านในท่ออยู่มูมาท่านดู่โดยความสงบสงัดไม่มีเสียงอะไรรบกวนต่างท่านต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนด้วยความเป็นธรรมถึงมากก็ได้ชื่อว่าสงบสะดวกสบายท่านก็อยู่ท่าหายอยู่มากแต่วุ่นวายขัดข้องท่านเลยอยู่พระพุทธเจ้าเป็นแบบสมบับสําคัญที่พวกเราท่านทุกคนจะถือเป็น เนติแบบแขนปสาธติปฏิบัติตามท่านตามติฤทธิปฏิบัติถึงท่านสาธุดปฏิบัติจนแบบแขนมาตั้งแต่ติดออกทรงขรุขระจนการทางปรินิพานท่านหาจะถานที่รือท่านเพยายามข่มคาไทยของพระองค์ในยินดีในธรามอย่างไรพวกเราที่ศึกษาตาม ตำรับตำราก็พอรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่เดี่ยวอาจหานขนาดไห น, นทั้งๆที่พระองค์เ ป, ไป็นกษัตริย์แต่ก็ไปปฏิบัติตามบ้านป่าท่าดงเขาไหนทานอาหารการฉันอะไรพระองค์ก็ทรงรเฉวยไปตามธรรมชาติคนขอทานคมที่เหลือปัญหาที่เคมีในจิตในใจว่าจนเป็นกษัตริยนะ์ได้เขากินอะไรพระองค์ก็เฉวยได้ อาหารสิ่งนั้นไม่เป็นชุดเป็นไทยไม่เป็นข้าวสิส่แต่กายของท่านท่านคือเอากายนี้เหมือนเป็นกับเรืรออาศัยข้ามนะ้ำข้ามฝั่งเท่านั้นสิ่งใดที่เป็นปัจจัยเพราะที่จะให้ร่างกายของท่านเป็นอยู่ได้ ท, ท่านก็ใช้ก็กินไปตามสภาพ ข, ของท่านท่านไม่ได้เลือกชุดวกบนไปหาอาหารตาม ปกศันอยู่ในราชาวางังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านในเด็กนึกไปเกิดนั้นท่านจึงยืนอยู่ป่าตามสะดวกสบายได้ท่านแนะสอนเชก้อสุทั้งหลายในสมัยพุทธกาลสื่ได้ก็ไมเร็จพระโสดาสกีทา่ทาป่านะคาทา่านโดยส่วนใหญ่ท่านก็สอนในป่าเพราะป่าเป็นที่สงบสงัดเพราะป่าเป็นสถานที่จะต้อ ง, องอประกติปฏิบัติได้สะดวกสบายทางตายก็ไม่พลุกเข้ากับ เรื่องมนุษย์คนทางใจก็ไม่มีเรื่องอะไรย่วยุหนักแน่โอกาสเวลาที่จะภาวนากำจัดปิเลตััญหาหรือทำบาลาีคุณงามความดีให้่ามีคูณขึ้นมีมากมายต่ายกองเพียงพอบริบูรณ์เทศนั้นท่านจึงแนะนผู้ที่อยู่ฝ่าอยู่เขา ตั้งหน้าต่างตาประบัศปฏิบัติตัวของท่านก็ปฏิบั ต, ตปิปฏิบัติเป็นแบบฉบับเยี่ยมอย่างของมนุษย์ทั่วไปเพรานั้นพระพุทธเจ้าของเราคืงเป็นแบบสฉบับที่ดีเมื่อเวลาท่านตัดรู้ก่อตัดรู้อยู่ป่าแสดงปรมาเทศนาก็แสดงอยู่ป่าเมื่อป ร, รีนิพพานการสุดท้ายของท่านก็เหมือนกันท่านตกตรินิพพานในร่มไม้ไม่ได้ ร, รีนิพพานในป่าสาราสว่างอะไรแต่เท่าว่า การอริเริ่มกาองที่จะเป็นที่ประทับใจของพวกเราที่ห่วงใยอะไรในสถานที่บ้านช่องหรือเขาของต่างๆความจริงสิงต่างๆในโลกอันนี้ถ้าหากมีทำไปจำใจแล้วเป็นสิ่งที่อาศัยสั่วการสั่วเวลาเท่านั้นไม่เป็นของสำคัญอะไรหนักๆาแต่เวลา ที่จากไปถ้าหากเราได้ที่นิพพิจารณาว่าสมบัติทั่วไปเป็นของชางไม่ใต่ของเราเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็มีจิตที่จะได้ชาสอยถ้าหากเราจากไปสมบัติทั่วไปไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะจับไปเป็นของคนอื่นไปหรือเป็นสมบัติทังโลกไปจิตใจของเราก็จะไม่สึกไม่คล่องไม่กลัวไม่คันใน่เป่าไม่ฟันในสมบัติเหล่านั้นพอเราได้ที่นิพพิจารณาเห็นประจักษ์ชัดเจนในตัวของเราอย่างนั้น ถาหเราไม่ด้ที่นี่ที่แกรณาเจเลยอะไรปกของเราอะไรปกของเราเข่าของทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจค่องจิตใจติดเหมือนจะร้องตายหายตัวจากพบจากชาดไปจิตใจจบไปยยากลำบากห่องผัดหรือติดอยู่ในอารมณ์สัญญาสี่วัดของของเราอย่างนั้นเจับใจเป็นเพิดเป็นผีเฝ่าสถานที่หรือเฝ่าสิ่งเข่าของเคยมีในตำรับตำราหรือปัจจุบันทันตากัเคยได้ยิน บ่อยเหมือนกันคือคนมีสมบัติเข่าของเงินทองต่างๆหรือที่สื่อสารไม่แน่ชื่สะสมเรื่องของภายนอกมากมาย ก, ก่ายกองตายไ้เป็นเิดเป็นฝีเคยได้ยินในสถานที่ต่างๆแต่แผู้ประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นท่านเคยที่นี่ที่จะรายนานในจิตของท่านว่าสมบัติทั่วไปเรื่องนอกๆเรื่องของที่อาศัยไม่ว่าจะเป็นสมบัติที่เราหามาได้เป็นเข่าของเงินทองหรือบ้าน่องต่างๆ แนวจอมบัตรทีอตาหูจหมูกนิ้งตายของเรานี้ก็เป็นสมบัติที่อาศัยส่การชั่วสมัยเท่านั้นไม่เป็นของสําคัญหนักหนาอะไรตายแล้วก็จะขึ้นไปปล่อยไปไม่มีบุคคลคนใดจะนําตายอันนี้ไปตู่พบหน้าได้คุณงามความดีที่แต่ทาบําเพ็ญเมื่อจิตยังเชี่ยวอยู่ในวัฏฏสงสารยังไม่พ้นใจจากที่เหนือการหาเมื่ อ, อไร อำนาจของบุญกรรมที่เราจะ ท, ำำทําบําเพ็ญด้วยตายก็ดีด้วยวิช า, าก็าดีด้วยใจก็ดีทั้งเหล่านี้จะติดตามตัวของเราไปสู่พบ้างหน้านี่ใช่ว่าสมบัติเราที่มีอยู่แล้วเราตายไปแล้วแล้วก็จะกส่งเอาสมัติอันนั้นหอบทิ้งหรือหาถามไปร่างกายก็จะเอาร่างกายอันเก่านี่แหละไปเป็นร่างกายข้างหน้า เอาไปในได้ทั้งนั้นเราเคยเห็นกันในสถานที่ทั่วไปคนตายนอกจากเขาจับฝังแล้วก็ไม่เห็นบุคคลผู้ใดหอบเชื่อหรือหาถามร่างกายอันนี้ไปได้แต่จิตที่เกี่ยวข้องในวัฏสงสารที่ทกิเลสตัณหายังไม่ขาดหมดออกจากใจเมื่อใดจะท่องเที่ยวไปท่านชี้ว่าเรี่องจิตเป็นกายสิทธิอันหนึ่งเหมือน ก, นกันกับเรานอนหลับและฝันไป ร่างกายของเรานอนอยู่ที่จิตหรือนอนที่บ้านที่เรือนของเราแต่เราไปในสถานที่ต่างๆคอยใจว่าเราไปทั้งหมดแต่ความจริงเรานอนอยู่นั้นแหละพอตื่นจากฝันขึ้นมารู้สึกว่าเราอยู่จิติหรืออยู่สาลาหรือรอยู่สถานที่เราพับผ้าอาศัยแต่ความฝันนั้นๆไม่เป็นอย่างนั้นไปทั้ตัวทีเดียวเรื่องของจิตออกจากร่างไปก็ทํานองเดียวกันแต่ไปเข้าร่างใหม่ ก็ต้องอาศัยบุญอาศัยกรรมที่ตนทําไว้ถ้าหากทำบุญทํากุศลไว้มากบุญกุศล น, นั้นนั้นถึงเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเทวโลกเป็นอย่างไรพราหมณโลกเป็นอย่างไรหรือมนุษย์โลกเป็นอย่างไรอํานาจของบุญกรรมที่เราทํามาจะนําพาตัวครอบครัเราไปสู่สถานจุดหมายปลายทางไ่ะตามความมุ่งมากกลราทนะข้องใจ แต่ถ้าว่ากรรมชั่วที่เราไม่ต้องการไในจองปาฏถนาไม่อยากได้ถ้าเราทําลงไปด้วยเจตนาของใจจริงจังแล้วกรรมชั่วอนันต์นก็เหมือนกันว่าไม่จองการจะไปแต่ก็ไปได้เกิดใดเพราะกรรมชั่วบังคับบัญชาตัวของเราไปเหมือนกันกันกบคนที่ทํำกรรมชั่วปัจจุบันทันตาเราพอรู้พอเข้าใจกันคนที่ทากรรมชั่วจะทําโจรกรรมหรือทํา อะไรต่างๆสึ่งทางกฎหมายห้ามไม่ให้ทําแต่เขาไปฝ่าฝืนคืบทำเขาไม่เชื่อว่าเองทําได้อย่างนี้ถ้าเจ้าหน้าที่มาพบเข้าเขาจะจับกุมเองไปจิตตารางนะถ้าไม่เชื่อไม่เคยเห็นตารางอยู่บวันนอกบวันนาตารางอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นไม่เชื่อเท่าไรก็าตามไม่อยากไปสักเท่าไรก็าตามแต่ก็ทําการขั้วอยู่นั้นจะต้องมีวันใดการหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่มาจับกุมคุมตัวไปไม่เคยไปก็จะต้องไหนไปโซ่ มันหนักเท่าไรควรจะต้องเลยแบกเดือหามสถานที่อยู่ไม่ชอบอกจิตใจอย่างไรก็รจำเจนจะต้องได้อยู่จะต้องได้รับความทุกข์ยากลํ า, ลาบากในสถานที่ท้นไปโดยที่ในชอบอกจิตใจแต่เทราะกรรมที่ตนทำให้ผลเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นกรรมชั่วทั่วไปทั้งผู้ใจเจ้าจึงเน้นสอนพวกเราไม่ให้พากันแตทําบ่มเพือนเพราะกรรมชั่วเหล่านั้นจาก ติดต้นตามตัวหรือส่งผลให้ได้รับทุกตายทุกใจในชาติในภพต่อไปหรือปัจจุบันทำตาหาทำกรรมทัท่วหนักหนาก็จะได้รับผลความทั่วความทุกอย่างนั้นผู้ที่ทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีอย่างนั้นเพียดนั้นผู้ที่ช่องเที่ยวอยู่ในวัด ต, ตาสงสารปราถนาความสุขความสบายปราถนาไม่อยากมีโรคไข้ไข้เพียรปราถนาสมบัติทัศฐานบ้านช่องที่ มีความสุขความสบายตะกูลที่ดีวิชาความรู้หรือสติปัญญาดีก็ให้ให้มันประกอบกรรมดีเอาไว้กรรมดี น, น, นั้นจะส่งผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นนษยที่ดีเกิดในกองเงินกองคลองกองเข่ากองคลองดีดามานดาก็ดีตระกูลก็ดีสมบัติทรัพยนอะไรดีทั้งหมดหน้าตาหรือหลังกายส่วไปก่อช่วยสดงดงามไม่เป็นคนขี้ด้นขี้เหลเพราะอา น, นาจกรรมดีตกแต่งให้ อะไรดีขั่วไปถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิเป็นเทพผู้บุญเทพพิดาก็ยิ่งวิเศษจะเกิดขึ้นไปเนี่ยจำนีแต่งให้ใครทั้งหมดปรารถนาอยากจะเป็นคนดีอย่างนั้นเกิดขึ้นในตามความต้องการของตนตามความปารถนาของตนกว่าด้วยผลที่ตนของตนแต่ทำำําบําเพ็ญทางชั่วจึงเป็นตกทุกข์ได้ยากลําบากอย่างยิ่งไมสมปรารถนา ไม่ว่าสมบัติัธแต่ฐานหรือสติปัญญาไม่ว่าอะไรทั้งหมดร่างกายพุงตนก็เหมือนกันถึงโครคไข้ไข้เจ็บป่วยอดๆออออแอดๆไม่มีเวลาที่จะสบายกับเขาแต่ถ้าว่าทำที่เราเคยทํามาให่ผลอยู่อย่างนั้ น, นจนกระทั่งวันตายไม่มีวันมีเวลาที่จะสบายเป็นสุขกับเขาเพราะตามพุงตนที่ทําไว้อย่างนั้นมันให่ผลเป็นทุกอย่างเกิดนี้ เราทุกคนที่ต่างหน้าต่างตามาฝึกฝ น, นอบรมจิตใจถ้าหากเราไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือทวามพ้นไปจากที่เหลวก็ให้พาตันประพฤติปฏิบัติทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางบุญทางสู่ผลคือจะนำตนของตนไปสู่ความสุขความเจริญในพบเบืองหน้าอย่าไปทำบาปทำถึงที่ชั่วช้าลามกถึงจุดของเราอยากทาก่อนเอ ห้มเอาไว้เพราะเมื่อเราทําลงไปจะได้รับผลไม่มีบุคคลผู้ใดจะมาช่วยเหลือเหื้อหนุนเราได้ท้างากเราคิดได้อย่างนั้นตามทั่วทั่วไปเราก็จะไม่สามารถจะทำำําบําเพ็ญเพราะเห็นผลความทุกข์อยู่ข้างหน้าจะเป็นสมบัติของเราตามดีทั่วไปทิ้งกายทิ้งใจไม่อยากทำํำเราก็ผูกสาพยายามทํา เพราะกรรมดีจะนําผลคือความสุขใจสบายใจมาให้หรือสมบัติที่เราปรารถนาทุกสิ่งทุกส่วนมาให้ตามความมุ่งหวังของตนเหตุนั้นเราทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนที่จะเจรินาเหตุผลคือพระพุทธเจ้าทรงแนะนําความสอนพวกเราให้เอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอนใจอย่าเอาที่เหลือกั้นหาซึ่งเป็นฝ่ายขั่วมาสอนใจของสัว ใจใดพวกทั่วเป็นนิตรจะพบชิดให้ทำศิกไปต่างๆนานาหากเราทีนี้คิดเจรณ า, าตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาคาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นนิตรของเราตามทั่วทั่วไปเราจะไม่กล้าแต่ทาและเราได้ทาดีเป็นนิตรเป็นทหาจะซักษาจิตใจของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาบาเพ็ญคุณงามความดีเท่าวีคูณึ้นไป เมื่อบุคคลผู้ใดอุตสาหพยายามละชั่วบำเพ็ญดีตั้งหน้าตั้งาตากระเพิปฏิบัติไปตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแลยผู้นั้นจะได้รับความสุขความเจริญในปัจจุบันคันตาโลกหน้าเป็นอย่างไรเข้าใจแจ่มใสในตัวของตัวเพราะเกิดปัจจุบันนี้เองจะไปเกิดไปสู่พบหน้า ถ้าจของเราเศร้าหมองจิตของเราขุ่นมัวจิตของเรายุ่งเหยิงจิตของเราเป็นทุกข์ก็พบหน้าชาติหน้าในสองสงสัยว่เราจะได้รับพบรับชาติเป็นอย่างไรถ้าจิตของเราบริสุทธิ์พอใส่จิตของเราเยือกเย็นพอใจในทางบุญทางกุศลเราก็หายได้เพียงเดียวว่าเราจะต้องไปสู่ความสุขความเจริญในพบต่อไปถ้าจิตใจของเราไม่มีอารมณ์สัญญาอะไรจะไปเกาะเสี่ยว ไม่มีกิเลอตัณหาอะไรไม่มีสังขารชนิดใดที่จะไปปรงใจใค่ผิดข้อหรือลุ่มหลงรู้ความบริสุทธิ์ของตัวด้วยการจัอเติปฏิบัติไม่ใช่ความสงบสงัดไม่ใช่เรื่องรวมๆของใจแต่เป็นใจที่เศษใจปลิดเปลอกนอกเหนือไปจากการต่อเิปฏิบัติทั้งหมด ความสงบสงัดเราเคยได้ฐานมาวิชาความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยโลกีที่เกี่ยวข้องกับทั้งฐานเราก็เคยฐานมาแต่ความสงบซึ่งเรียกว่ากันนัตถ์สันี่กํลาลังสุขขังสุขอะไรน้อยิ่งไปกว่าความสุขสงบอย่างนั้นสงบอย่างนั้นมันดูอย่างไรท่านผู้ประพฏิบัติายใจใเมื่อถึงแล้วจะรู้สึกในตัวของท่านไม่มีวันมีเวลา คือจะมาป อ, อ, อ, อ, ขอขาดเพราปอดาดหยุดด่าท่านเข้าใจทัดเปลนเห็นประจับจะอยู่ในอิริยาบถใดใจชนินั้นด้วยจิตชนิดนั้นไม่มีการกลัวพันกันงวลไม่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัตถะถือจินยานะิายามชายนอกคือดัชชาตามสมมุติของโลกเป็นอย่างไรเรื่องเหล่านี้ท่านก็เข้าใจแข่งแก่งทัดเปลนว่าไม่ใช่เรื่องของความบริสุทธ ความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรท่านเข้าใจในตัวของขันธ์เพีนั้นท่านซึ่งไม่มีการเขา้ามมีการออกไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการรู้การหลงเป็นของที่เหนือสมมติทั่วไปจิตใจอย่างนั้นบุคคลผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏศศิบัตปฏิบัติภาวนาจรงจังจึงจะอย่างรู้จึงจะเข้าเห็นจึงจะเป็นขึ้นในตัวของตัวสึ่นลอกเหนือไปจากสมมุติอย่างนั้น ท่านจึงจะมีความสุขทุกการทุกเวลาที่ร่างกายของท่านจะมีโรคไข้ใส่เจ็บเบียดเบียนหรืออะไรเบียดเบียนเรื่องของตายแล้วแต่จิตใจแตนิดนั้นไม่มีอะไรที่จะไปเบียดเบียนในว่าอารมณ์ทั้นยาหรืออะไรสิ่งเบียดเบียนที่เบียดปัญหาจะเข้าไปถึงได้เป็นจิตใจที่เหนือสมมติขั่วไปท่านจะมีความสะดวกสบายอยู่ทุกการทุกเวลาไม่มีการไปการมาการเข้าการออก จะตายในตานใดสมัยใดตัวทีอยากไหวท่านผ่อริมิตทานจะอยู่ป่าอยู่บ้านอยู่ทัางที่ใดก็ตามเดือนนั้นการฝึกใจจึงเป็นของสําคันที่พวกเราท่านจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประศปฏิบัติตายไปแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะประฤติปฏิบัติเอาได้เวลานี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องขวนสายพยายามจะทําบําเพ็ญจิตใจของตน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 คือ ท, ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอบให้เราคนเดียวจะดูแลรักษาจะต้องตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติเมื่อเราทุกคนมันที่นิ้ที่เรณาและสอนตนอย่างนั้นก็จะพากันได้รับความสุขความจเจริญจากการประพฤติปฏิบัติของตนเมื่อพวกท่านพทุทธศาจะสนิกชนได้ไระดับรับฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่อธิบายมานี้จงนําไปโยนิโสมนักิการ ที่นี้ที่จะรายงานติองดูเมื่อรู้เมื่อเข้าใจก็เป็นสิ่งที่ดีที่ชอบแล้วจึงนําไปประกอบเพื่อปฏิบัติตามต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขความเจมมเาาริญในอวสานการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาเนาิชาแห่งราศิรันตนใจและบุญขุ่สนทั่วไปจงคุ้มครองรักษาพวกขันทั้งหลายให้มีความสุขใจ ส, สบายใจปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงตังเร็จ ตามความมุ่งมา่นหลากฐานะทุกสิ่งทุกประการดังรับระาทานพระสัจธระมมาเจรนามาควรเห็นว่ า, วาต้องควรเจรเวลาเอวัน